ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดในเสยยาศาดุซึ่งแปลเป็นไทยว่าคบคนประเสริฐก็ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมือ่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันได้ทรงประรบถึงม้ามาท่านหนึ่งของพระเจ้าปเสนทิกุศล คือมหามาท่านนี้เป็นผู้รอบรู้ราชฎกิจจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างสูงการงานอะไรที่ได้รับมอบหมายไปและอยู่ในภาระหน้าที่ของท่านท่านก็ตั้งใจทำงานด้วยความเต็มตามความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนกลายเป็นที่โปรดปรานไว้วางราชร์ไทยของพระเจ้าปเนสนจิโกศน แล้วก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้โดยลำดับจากการเจริญเติบโตของมหาหมตดภูนี้ เ, นเติบโตไปทุกด้านในด้านด้านลาบด้านยศ ด, ด้านชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเป็นต้นก็ทำให้มีคนริษยาพยายามเข้ามาใส่ร้ายท่านด้วยประการต่างๆ ต, ตอ น, น, นแรกๆก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรเท่าไหร่แต่มาโดนใส่ร้ายบ่อยข่าวบ่อยข้าเจ้าประเสริฐที่โกศลแลว้วก็เว้เหมือนกันแล้วในที่สุดก็รับสั่งให้จับมามาดันไปขังคุกไว้มามาดก็อยู่ในคุกเพียงคนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวตีะมาดูแลใจใส แต่ในขณะที่ท่านอยู่ในคุกนั้นเนื่องจากท่านได้เคยฟังธรรมในพุทธสัมนักมาเขีออยนว่าว่างจากราชการงานเมืองต่างๆก็มาอยู่ในคุกก็สบายดีเหมือนกันในที่สุดก็เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอยู่เรื่อยๆก็ในที่สุดก็บรรลุโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันภายในคุกนั่นเอง ต่อมาเมื่อพระเจ้าประสิทนิ์ที่โกรศลได้สอบสวนหลักฐานและคำใส่ร้ายต่างๆแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของความริษยากกันก็รับสั่งให้ปล่อยหมาหมาออกมาแล้วก็มอบตำแหน่งให้ใหญ่กว่าเดิมจิตหมามาท่านไม่อะไรแล้วนะตอนนี้ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ติดใจอะไรแล้ว จะมาคิดว่าเราควรจะไปฝ้าพระพุทธเจ้าสะ ก, ก่อนกราบน้ำแต่งตัวไปฝ้าพระพุทธเจ้าระเจะรับสั่งถามพระเออได้ยินข่าวว่าเธอถูกจองจำด้วยเรื่องที่ไม่เป็นสาระจริงเลยธานมาก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์ไปทำในสิ่งที่ประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่รู้ประโยชน์เลยต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ที่ไร้าสาระคือต้องจิตคุกแต่ก็ไม่เป็นไรข้าพระองค์ได้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคตอนนี้ก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วคือข้าพระองค์ได้พยายามใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เราให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาในที่สุดก็ประสบผลสําเร็จพระเจ้า ก, ก็ทรงอนุโมธนาสาธุว่าการกระทําของท่านหมาหมัดนั้นเป็นปฏิปทาของบัณฑิต ท, ทั้งหลายในอดีตแม้พระองค์เองในสังสารวัฏอันยาวนานก็ได้เคยใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์เหมือนกัน แต่ในที่สุดก็รับสั่งเล่าว่าในดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้ารูมทัตสวยพระราชสมบัติในพระนครพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในราชสกุลแต่ในที่สุดก็ได้เป็นพระเจ้ารูมทัตแทนบิดาต่อมาหมาดคนหนึ่งได้ตีตัวออกห่างจากพระองค์ เริ่มโดยการยักยอกราชรัพย์การปลุกปั่นยุยงบุคคลเพื่อจะเบียดเบียนทำลายเราก็มีคนมากราบทูลเรื่องราวต่างๆให้ทราบโดยลำดับแต่เมื่อสอบสวนทวนถามแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ปรารถนาที่จะทำอะไรให้รุนแรง แลวก็รับสั่งให้ออกไปจากพระนครอามารคนนี้เมื่อไปอยู่ต่างเมืองก็ักเข้าไปแสดงความจงรักภักดีใช้เล่เกเทศด้วยวิธีการต่างๆจนได้เข้าไปเป็นอมารของพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งแต่ก็ต้องการจะแก้แค้น ด้วยความอาคตาิพยาบาทในพระเจ้ากรุงพาราณสีจึงโ ย, โยงเยี่ยมสอนราชาที่ตนเข้าไปอยู่ด้วยนี่ด้วยวิธีการต่างๆในสุด ร, ราชาเหล่านั้นก็ไม่จ่าองค์นั้นก็เห็นตามคล้อยตามก็ยกกองทัพมาพระเจ้ากรุงพาราณสีเองนั้นมีกำลังทหารพรองเองก็มีความรอบรู้ในราชการสงครามแตกฉานก็อถ้จะตี เอโต้หรือทำลายกองทัพเสียก็ทำได้แต่ก็ไม่ปรารถนาจะกระทำบาปเมื่อเขาบุกเข้ามาก็แสดงความประสงค์เช่นนั้นโรคงก็รับสั่งให้ทหารถอยกลับเข้ามาข้างในแต่ในที่สุดเมื่อเขาจะมาพังประตูก็เปิดให้เข้ามาได้แล้วก็เปิดทางสะดวกให้โดยลำดับทุกตอนที่เขาเข้ามา แล้ในที่สุดประชาต่างเมืองก็มาจับพระองค์พร้อมด้วยอมตะผู้ใหญ่ตั้งร้อยข้าวใส่คุกหมดเลยจนในขณะที่อยู่ในคุกนั่นเองพระเจ้ากรุงพาราสีก็แนะนำพวกอมาตะทั้งหลายหรือไม่ติดใจสนใจในเรื่องอะไรก็ทำใจของตนให้สงบําเพ็ญภาวนาด้วยเมตตาภาวนานะ เมตตาภาวนาก็เป็นพลังรุ่มอย่างหมหาศาลของคนตั้งร้อยคนมีพระเจ้ากรุงพานาสีเป็นหัวหน้าจนได้บรรลุเมตตาระดับเมตตาชาั่นโดยกระแสของเมตตาที่เริ่มแผ่ไปคนตั้งร้อยเริ่มแผ่ไปเนี่ยก็ไปกระทบจิตของปราชาโจรคือปราชาที่เข้ามาปล้นบ้านปล้นเมือง ตอนเกิดร้าวร้อนวุ่นวายไปหมดเลยนั่งแทนก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้อ ร, ระทานะสเสวยก็ไม่ได้อะไรวุ่นไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ร่าวร้อนไปหมดแล้วในที่สุดก็สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ดูว่าเป็นเพราะอะไรก็กล่าวทูลว่าเพระพระองค์ไปจับคนดีขังคุกไปตั้งร้อยท่านก็ตกใจก็ไป ขอก็มาลาโทษพระเจ้ากรุงพาราณสีพร้อมด้วยมาตั้งหลายแล้วก็ตวายราชสมบัติคืนพร้อมด้วยอาสาเป็นทหารให้ว่าในโอกาสต่อไปนั้นถ้ามีข้าศึกต่างแดนมารุกรานบ้านเมืองของพระองค์ก็ขอให้มอบเป็นภาระหน้าที่ของข้าพระองค์คือจะปกป้องบ้านเมืองให้โดยทางกรุงพาราณสีเองไม่ต้องไปรบอะไรเพราะท่านไม่รบอยู่แล้ว กันในที่สุดทั้งกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็เป็นมิตรเป็นสหายกันพระเจ้ากรุงพาราณสีพร้อมโดยบาทก็กลับคืนราชวังและบ้านเรือนของตนเ่อถึงวันเสด็จออกราชการพระโพธิสัตว์ก็ไอพระเจ้ากรุงพาราณสีหรือพระโพธิสัตว์ก็ได้ประกาศในที่ประชุมว่าประการที่พระองค์ได้มีเมตตาจิต สร้างความเป็นมิตรต่อพระราชาซึ่งเป็นข้าสึกเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยเหลือคนได้เป็นนันมากคอรบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมใดก็ตามควรสร้างความเป็นมิตรต่อกันมีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อกันไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกัน แล้วเมื่อนั้นท่านทั้งหลายก็จะอยู่อย่างสันติแต่เมื่อได้แสดงถึงธรรมะที่คนเหล่านั้นจะพึงปฏิบัติแล้วพระองค์ก็สละราชสมบัติสเสด็จออกผนวดเป็นฤาษีบําเพ็ญเพียรเยมตตาภาวนาสูงขึ้นไป ก็บรรลุถึงรูปประชาร์ดแต่ในที่สุดก็ทรงสรุปชาดกว่าพระชาที่เป็นข้าศึกในครั้งนั้นก็กลับมาเป็นพระอนุ์ในชาติปัจจุบันนี้ส่วนอมตะในคราวนั้นก็มาเป็นพุทธสาวกในคราวนี้พระยากรุงพาราสีก็คือพระองค์ในครั้งในชาตินี้ จากเสยยชาดกนี้ท่านตั้งหลายจะเห็นว่าก็เป็นภาพจำลองชีวิตเช่นเดียวกับชาดกอืน่นๆที่เกิดขึ้นมาได้ทุกยุคทุกสมัยในเริ่มต้นประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของท่านอารรมะเตียสายความซื่อสัตย์สุจริตของท่านใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ผลนี้ก็เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักแก่ประทายของพระเจ้ากรุงพระเจ้าปเสนที่กุศลเป็นการปฏิบัติในลักษณะคือคนนั้นเริ่มสร้างงานซะ ก, ก่อนแล้วต่อไปงานก็จะสร้างคนเมื่อคนขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นก็พยายามสร้างงานต่อแล้วงานก็จะสร้างคนนั้นต่อไปคือจะยกคนขึ้นสูงสูงขึ้นไปโดยลาดับ นี่คือปฏิปทาจริยาของบัณฑิตทั้งหลายว่าจะพยายามทุ่มเทความรู้ความสามารถส ต, ติปัญญาของตัวเองลงไปในกิจการงานเหล่านั้นโดยไม่หวังพึ่งหวังโอบอุ้มแต่แม้แต่หวังการอัดฉีดจากบุคคลอื่นจะพยายามทำงานในจุดที่ท่านรับผิดชอบเต็มตามส ต, ติกำลัง และงานนั้นเองจะผลักดันท่านให้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลําดับเป็นการเข้าก้าวขึ้นไปอย่างมั่นคงแต่ในส่วนของท่านโดยชีวิตของคนเรานั้นก็อยู่ท่ามกลางคนนานาชนิดโดยก็เป็นธรรมดาอย่างที่หลวงวิจิตท่านได้กล่าวไว้เพราะทุกคนเขาอยากเห็นเราได้ดี แต่ถ้าเด่นเขขึ้นทุกทีเขาหมั่นใส่จงทำดีแต่จะเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครก็อยากเห็นเราเด่นเกินอันนั้นก็เป็นมองในลักษณะคือความจริงในแง่นหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นเองซึงท่านจะเห็นว่าถ้าใจก็องคนมากด้วยความริษยานั้นคือพร้อมที่จะริษยาได้ไปทุกเรื่องเมื่อเห็นความเจริญก้าวหน้าความ ได้ลาบได้ยศได้ชื่อเสียงได้สักการะแต่ผลประโยชน์ของบุคคลเท่าไหร่แต่คนที่อยากให้เราดีนั้นก็มีไม่มากหรอกแต่ว่ามีคนประเภทนี้อยู่ที่ต้องการให้เราดีทีนี้ปัญหาสำคัญว่าแต่การเด่นขึ้นไปนั้นก็เหมือนกันคือสมับคนบางคนจะมุทิตาพลอชื่นชมยินดี ในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้นแคนที่สามารถชื่นชมยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นได้ก็มีอยู่สองพวกคือหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะเป็นมิตรเป็นสหายเป็นครอบครัวอีกที่สองก็คือกลุ่มของวิญญูชนทั้งหลายพร้อมที่จะมองคนอื่นด้วยความชื่นชมยินดีที่เห็นเขาก้าวหน้าไปในกรณีที่ก้าวหน้าอย่างท่านมหาอามาตย์ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องซึ่งในขณะที่มีคนชื่นชมยินดีอยู่สองพวกนั้นก็มีคนไม่ชอบเราอยู่เหมือนกันและอาจจะหลายพวกด้วยเช่นคนที่เขาคิดว่าตัวเองจะได้แล่ไม่ได้หรือพวกตัวเองจะได้แล้วไม่ได้หรือว่าคนที่เห็นคนเห็นใครดีก็ไม่ได้เห็นใครได้ก็ไม่ดีก็พร้อมที่จะริษยาทั้งนั้นเพราะในะความริษยาเนี่ย จึงสร้างความพิบัติความพินาศให้เกิดขึ้นเกิดโลกเป็นนั้นมากคนดีเป็นนั้นมากทีเดียวในโลกนี้ที่ถูกแรงฤิษยาทําลายล้างจนถึงกับฆ่าตัดรอนชีวิตของท่านไปนานๆโลกจะมีคนดีเกิดขึ้นมาสักคนแต่คนชั่วที่มากหรือริษยามากเพราะท่านเ่านั้นโผล่ขึ้นมาได้ เสียดแทงทิ่มตามทำลายใส่ร้ายป้ายสีจนเละไปหมดเลยแล้วบางครั้งบางคราวก็เอาไปฆ่าทิ้งจะเป็นต้นเพราะฉั้นแต่เรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของความเป็นจริงในเมืองไทยเราก็ดีหรือว่าต่างประเทศก็ดีมีคนเยอะมีเข้าวาจะดีแต่เพื่อนทําลายซะก่อนเลยโตไม่ขึ้นเพราะถ้าไปตัดรอนชีวิตก็จบสิ้นกันแต่บางทีก็ไม่ถึงตัดรอนชีวิตก็รุมกันทึงรุมกั น, กนใส่ร้ายป้ายสี จนคนก็ลังเลสงสัยเวลาของชีวิตคนคนนี้ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันพอกว่าเพื่อนจะรู้คนนี้ก็เตรียมเข้าลงจะเล่าเลยไม่ไดไ้ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าความริษานั้นทำความทาโลกให้พินาศพระเจ้าประเสริฐที่โกศลส น, นั้นเรื่องนี้จะเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็ไม่ทราบที่จริงท่านเคยเป๋มาอย่างแรงทีหนึ่งแล้วอมั ดีเหมือนกันเป็นมหาเสนาบดีชื่อท่านพันธุละเป็นเพื่อนเรียนมาในสำนักทิศาปามโมกด้วยกันทำดีเหลือเกินฮะแล้วก็ทำงานได้ดีสารพัดเป็นแม่ทัพเป็นเป็นเสนาบดีแต่ก็ไปทำงานในด้านการตัดสินคดีด้วยไปผู้พิากษากินสินบนกันมากราษฎรเดือดร้อนท่านไปตัดสินเะะดน้งรัศดรชื่นชมยกย่องกันทั่วบ้านทั่วเมืองผู้พิากษาเก่าวแค้นใจเคยกินสินบนก็ไม่ได้กินชักหิวขึ้นมา รุจะทอยางไงก็เลยใส่ร้ายป้ายสีจนพระเจ้าปรเสนนิโกสนเชื่อเชื่อมากไปจนถึงว่าท่านจะเป็นกบฏแล้วก็หลอกให้ท่านวิธุตภะยกไปตีชายแดงส่งทหารอีกกลุ่มหนึ่งไปรอบฆ่าตายหมดเลยทั้งพ่อทั้งลกูกคราวนั้นท่านก็เป๋ไปมากฮะอันนี้ก็อีกแะแต่ดูแล้วคล้ายๆจะน่าจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลัง เพราะว่าอะไรเพราะวาความสานึกท่านเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ต้องแก้ไขได้เร็วไม่ยอมให้บทเรียนเหล่านั้นเดินไปถึงจุดที่เคยเดินมาแล้วในสมัยของมิทุตภะไอ้ไม่ใช่พันธุระ เ, ออเรื่องของความริษยานั้นก็มีอยู่ทุกขนทุกแข่งแต่ว่าคนที่ถูกริษยานั้นจะต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าใครก็ตามที่ถูกริษยานั้นวควรจะภาคภูมิใจตัวเองว่า เรามีดีให้เขาริษยาเนื่องจากกิเลสประเภทนี้จะไม่เกิดแก่คนที่ตกต่ำนะฮะจึงไม่มีใครริษยาขอทานไม่มีใครริษยานับโทษไม่มีใครริษยาคนยากไร้ต่างๆคนข้างาน น, นแต่ริษยาข้างบนริษยาคนที่เหนือตนขึ้นไปดังนั้นกิเลสประเภทนี้จึงเป็นกิเลสประเภทที่มันปนๆยังไงชาบคนนะฮะท่าองสังเกตว่า ไม่มีโลภะแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทสะแล้วก็มีโมหะมาแทรกอยู่ในแต่ละจุดความริษยาเกิดขึ้นจากการที่เราหลงตัวเองเห็ในใครได้ดีแล้วก็คิดว่าเราควรจะได้เราลองดูในบ้านในเมืองไม่แม้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งเดียวคนอย่างริษยากันอยากได้กันแล้วก็ไม่ได้ประมาณตัวเองอะไรเลยไม่ได้ดูว่าสมมติว่าตัวเองเป็นจะทได้ไดไหรือเปล่าแต่ว่า ปกติใจคนเป็นอย่างนั้นเองไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเพราะโมหะมันเยอ ะ, ะฮะทำให้อริสยาเนี่ยให้ความว่าตัวเองก็อยากได้แต่เองเมื่อไม่เมื่อไม่ได้เราก็ไม่พอใจเพราะงั้นอริสยามันก็เจอืๆอๆยังไงชอบผลคือมีมีโลภะแล้วก็มีโมหะมีโทสะแล้วก็มีโมหะแต่สรุปว่าตัวการจริงๆตัวการจริ ง, รรงมันก็อยู่จากโมหะแตที่จริงความสําเร็จในชีวิตของคนเรานั้นถ้าเรา โมหะเราน้อยนะฮะโมหะเราน้อยเราก็มามองกลับไปอีกทีเอ๊ะคนนี้เขาทำยังไงว่าประสบความสมําเร็จเจริญก็ได้เราไปทางนี้ด้วยก็แล้วกันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ไปทึ่งอะไรเพื่อนก็ขึ้นสูงแล้วไปไปโหนะเขาตกลงมาเสีก่อนแล้วเราก็บางทีเราก็ขึ้นไม่ได้เดีนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของของจิตพอปัญญามันเกิดแล้วมันไม่จะไปจะไม่ไปออกอย่างนั้นเนี่ยความโลภก็เกิดนะฮะ แต่จะคุมทิศทางว่าเออคนนี้มันก็เกิดคนนี้เขาทาอย่างนี้นะขขนเขาขยันก็ลงทุนอย่างนี้นะเขาทาอย่างนี้เราก็ไปศึกษาก็หมดเลยนะแล้วเราก็เดินตามเขาด้วย เ, เดินตามเขาด้วยในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จเลยตัวมาความมันก็หักมาไอโลภ้ามันมีแต่มีมนมันก็มันหยุดแค่สนันทะเป็นสันทะเป็นความพอใจว่าเออคนนี้ก็ทําดีเขาก้าวหน้าไปได้แล้วก็เร็วด้วยไปขอเรียนกับเขาเลยแล้วเราก็เดินตามเขาไปมันก็หักมาเป็นแนวอิทธิบาท ฐานะวิทยาจิตใจมังสามก็เดินไปเพราะเราเริ่มที่ปัญญาแต่ทีนี้มันก็หักออกไปเป็นโมหะมันแรงเพราะโมหะมันแรงก็ไม่รู้วแกได้ยังไงไม่รู้ว่าฉันไม่ชอบแกก็แล้วกันเดี๋ยวไปทึงเขาหกคเมนต์ลังกาลงมันด้วยลองดูว่าในเมืองไทยในเดือนกันยานี่บัตรสนเทศนี่จังเลยนะฮะสนเทศดิ๋จะไปถามกรมประมวลประมวลข่าวกลางนะฮะก็เป็นปึงป้งๆนะฮะเรียกบรรทุกรถกันได้เลย แต่ว่าแต่ละฉบับนะหมายหมายความว่าเอาแต่ละฉบับเนี่ยมากองเข้าแล้วบรรทุกเป็นรถได้เลยไม่ใช่ว่าเอาฉบับเดียวมาซ้อนๆกันนะฮะมันมากจริงๆไงแล้วถ้าส่วนมากแล้วจะเกิดมาจากริษยาพอพอมันใจถูกริษยาแล้วก็ออกมาเป็นโลภะก็จัดโลภะก็จัดโมหะก็จัดเลยเป๋ไม่รู้เรื่องไงใส่ร้ายป้ายสีคนทําลายคนนึกถึงตัวเองแลจะไม่นึกถึงชาติบ้านเมืองอะไรเลยว่า เราฆ่าคนไปคนทำลายคนไปคนของชาติบ้านเมืองมองเสียุนเสียผลประโยชน์อะไรเท่าไรพวกนี้ก็ไม่คิดแล้วแล้วก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะก็ทุกงานก็เรียกว่าทุกงานเลยฤิษยาเกิดที่ไหนอย่างนี้ทุกงานเพราะงั้นไฟริษยาจึงเป็นไฟที่รุนแรงลึกเกินแล้วก็แม้แต่ว่าคุณลักษณะของนักบวชประการหนึ่งเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่า อิสาโลภะสมาปันโนสมาโนกิงบาวิสติเคียถ้ายังมีริษยายห์มีโลภะมีความอยากได้เป็นเป็นผู้ส ง, งบไม่ได้ครับเป็นผู้สงบไม่ได้เพราะว่ามันพลาดจนได้ถ้าาใจ ย, ยังมีความปรารถนามีความโลภะมีริษยาอยู่แล้ใจพลานเมื่อไปเมื่อใจพล่านมันก็ตัวก็พลาด น, นะในทสุดก็จุนจุนจุนจ้านหายไปไหนวุ่นวายไปหมดดังนั้นก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ส ง, งบ ทนี้เรามองถึงท่านมหาอามัดมั่นคงมากนะฮะเราจะเห็นว่าคนอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงอุดมการณ์ของธรรมจริงๆเลยอยู่ทุกจุดยืนตรงไหนก็ตามทำประโยชน์ในจุดนั้นไม่ได้ไปสนใจว่าเราจะเป็นอะไรนะแต่คิดว่าเราจะทําอะไรเท่านั้นเองพอเป็นเป็นอามาดก็ทําหน้าที่ของอมัดเต็มยศเต็มเต็มที่เต็มตามตํ า, ตาแหน่งพออยู่ในคุกมันก็ทํางานนั้นไม่ได้แล้วก็ทํางานอื่นต่อไป มันก็อยู่ที่ใจนะสถานที่นั้นไม่สําคัญอะไรแต่ไปอยู่ที่เราปรับใจได้หรือไม่เราจะเห็นว่าถ้าคนอยู่ในคุกแล้วเอาใจไปติดคุกเสียด้วยมันก็กลายเป็นอุทจักกุกจกักคือฟุง้งไม่สงบวันเวลาอืดอาดหรอเกินนาฬิกาเดินช้าจังเลยมีแต่ความทุกข์ทรมารแต่ถ้าหากว่าเราถือว่าสถานที่ไม่สําคัญพอเราไปอยู่ในที่หนึ่งเราก็ใช้ประโยชน์จากการอยู่ในที่นั้นให้ได้ประโยชน์อันนี้9 เกขั้นเก้หน้าแต่ถ้านในลองสังเกตว่าไม่ใช่เฉพาะท่านผู้นี้นะครับพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารนี่ตอนลูกชายเอาไปขังกลงไปไปขังคุกพระเจ้าช า, ชาติโตเอาไปขังคุกเอาไว้แทนที่ท่านจะไปเดือดร้อนวุ่นวายเรา่าไหมนะทาอะไรท่านจเจริญกรรมฐ า, านนักเดินจงกรมข้าวลูกก็ไม่ให้กินไม่ให้กินข้าวไม่กินข้าวท่านใช้ปีติเป็นภกษาเดินจงกรมนั่งกรรมฐ า, านจเจริญปัตตนาไปผิวพรรณก็ผ่องใสกว่าเดิมที่ ลูกชายเลยต้องใช้วิธีเอามีดมากรีดฝาเท้าเอาน้ำเกลือราดมาให้เดินมาเดินนั่งก็ น, นอนมองที่พระคันตะกดีของพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธไปจนดับไปเลยท่านใชก้กางท่านได้เดี๋ยวเรามามองดูพระบาทรุท่นเดชพระจงกราเจาอยู่ก็มีลักษณะอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเลคือหมายความว่าท่านอยู่ในสภาพนี้ ท่านท่านรงไปชวนหนักก่อนจะไปะชวนหนักที่ท่านรับสั่งกับพระราชธิดาของท่านว่าประเดี๋ยวพ่อจะตายให้ดูนะคนตายเป็นก็ตายยังไงนะแล้วลองไปอ่านตรงนี้เยี่ยมที่สุดนะฮะเป็นคนที่ตายได้เยี่ยมที่สุดแล้วก็มีสติตั้งแต่จุดเกิดถึงจุดดับเลยมีสติตลอดนั่นคือลักษณะของบัณฑิตเพราะนั้นบัณฑิตคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะในเนื้อหาไม่ใช่ว่าระดับเดียวกั น, นเพราะว่าขั้นตอนของความเป็นบัณฑิตมันก็ ภูมิปัญญาไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าในเนื้อหาแล้วเนี่ยจะสดสอดคล้องลงกันสมกันไปหมดเลยพอมาถึงท่านมหาหมาัดผู้นี้ท่านแทนที่จะท่านจะทุกข์ก็ไม่เห็นมันทุกข์อะไรนะฮะท่านไม่ให้ใจท่านติดคุกด้วยท่านก็เอาใจของท่านไปอยู่กับธรรมะไปอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานจเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลสบายไม่รู้เรื่องไปเลยแต่ว่าจริงดีนะบอีกจริงดีถ้าหาว่าท่านทําราชการอย่างนั้นเหมือนกับพระอานนท์ไง ราชน์ปฏิบัติอุปถากราพุตตะเจ้าอยู่นั้นแล้วงานยอะแยะไปหมดเลยคนมาติดต่อยอะท่านไม่ได้บรรลุมากวนอะไรเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่บวชใหม่มแล้วก็เป็นเนืองนั้นแหะพระพุตตะเจ้านี้ผ่านว้างกิจลงมันตัดปาริโพุธปริโพุธนั้นเป็นตัวใหญ่มากเพราะว่าเ ว, เวลาเราพูดถึงกรรมฐานนั้นท่านจะพบว่าเราไม่ต้องต้องไม่ลืมถึงปาริโพุธคือสิ่งที่เรากังวล สิ่งที่เรากังวลวิธีเนี่ยวิธีที่โยเรมาใช้หรือมาหรือซีเอามาใช้หรือซีหรือซาาีอะไรเนี่ยก็เรียกที่ที่อเมริกานะฮะทีเอมะไม่มีอะไรหรอกฮะนิทานนะธรรมดาเลยในพระพุทธศาสนาที่ธรรมดาเลยแต่ว่าเราไม่ได้แพ็กใส่กล่องเม็ดอินเจแปนมาแต่นั้นเองเม็ดอินยูเมาแล้วคนไทยไมาเห่อสินค้าก็รังแม้แต่วิธีสมาธิก็รังวิธีมก็รังเปรียบเทียบกับพพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านสรุปมาแล้วท่านสัมผัสผลมาแล้ว พวกไมหาฤาษีนั้นน่ะมีรถอะไรโรลลอยตั้งสิบ็ดคันน่ะมีแต่โลพระเล่นรถเดิเล่นรถแต่เป็นกามราคะน่ะนะวัตถุกรรมนั้นเล่นใเว่ตชื่นชมยินดีอยู่กับพวกวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่แต่มันเป็นอัดฉีดพลังกิจขึ้นในแต่ละวันดังนั้นอย่าเหมือนกับเรากินข้าวแต่ละวันรุ่งเช้าก็กินต่อแต่ของพระพุทธเจ้าท่านมุ่งถึงว่าอยู่ตัวเลยกลับเป็นอัตโนมัติเลยตัวการปริโพธด ท่านจะเห็นว่ามหามานนี้กลับเป็นโอกาสดีเพราะงานราชกิจเนี่ยทาให้ท่านมีปริโพเทะกังวลเยอะเลยเพอถ้ามาอยู่ในคุกท่านก็ไม่มีปริโพเทศแล้วไม่ทุกข์ด้วยไม่ใช่ไม่มีปริโพเทศแล้วมาทุกข์มาน้อยใจมาครับแค้นใจนะท่านปล่อยวางหมดเลยทุกข์ได้เลยปล่อยวางได้จริงๆใจก็จสงบจเจริญธรามะกรรมฐานานิพพานกรรมฐานสบายเลยได้เป็นพระโสดาบันะ พระนนก็เหมือนกันนะพระนนท่านเพิ่งได้บรรลุอรหัตเมื่อเวทญาณนิพพานแล้วนะนิพพานไปตั้งสมเดือนแล้วจึงเพิ่งบรรลุอรหัตเพราะภารากิจการงานต่างๆนั้นก็เป็นอุปสรรคขัดขวางทาให้เราวิตกวกวงอดวิตกวิกวิตกวิตกวิตกวิตกนิตกที่กวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกากวิตกวิตกวิกวิกวิตกอตกดปรวิกวิตกวกวิกวตกวตกวิตกวิตกวิตกอิตกวกวิตก้ ก, ก, ตออ ก, กวิตกววิตกิตกวกวิตกววิตกิ ไม่ต้องไปตีห่วงรถห่วงบ้านห่วงอะไรอะไรห่วงถึงลูกไรต่างประเทศยุ่งหรือเป่าให้ทำใจสงบอยู่ได้ในขณะนั้นเดียก็บอกเอาจัลืมมาทางลืมลืมลืม่าทำใจอยู่ตรงนี้ลืมไม่หมดเลยเรื่องมันก็ลืมมันก็สบายมันก็เราก็แบกไว้ในมันหนักอะลืมมันก็สบายแต่นั้นเองเป็นวิธีไม่มีไม่อื่นมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ว่าใครจะคิดค้นพัฒนาการทางจิตเรื่องอะไรโดยใครที่ไหนเมื่อไร่ก็ตามวันวิธีของพระเจ้ามันสุดยอดแล้วนะ สุดยอดของศาสตร์ในด้านพัฒนาจิตมันถึงนิพพานแล้วไม่มีมนุษย์ใดก็คิดได้แล้วเราลองดูแต่ว่าศาสนาคลิปกระดีสลามกรดีเกิดหลังพุทธกาลน่าจะพัฒนาก้าวหน้ากว่านะไปติดอยู่แค่พรมนั่นเองครไปติดอยู่แค่เทวดาสวรรค์นั่นเองครไปติดอยู่โนนติดอยู่ก่อนฐานาพรามเกิดติดอยู่สมัยพระเวทก็ไปอยู่กับท่าตะกะไปลูกน้องเท่าตะกะมันก็คือกันมาตะเพาเดียวกัน นี้แสดงให้เห็นว่าใครค้นเท่าไหร่ก็ตามจะไม่ถึงนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วจะไปถึงใจจุดเดียวกันถ้าไม่ใช่ระดับพุทธเจ้าแล้วจะไปไม่ถึงเพราะ ง, งั้นวิธีการทั้งหมดที่ใครสอนโดยใครก็ตามเขามีวิธีพูดเ่านั้นเองแต่ถ้าโดยเนื้อหาแล้วไม่มีใครถึงพระพุทธเจ้าระดับสมาธิหรือระดับอะไรนะฮะจนถึงของเรามันเลยสมาธิหายไปเลยเนี่ย ทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีดีขึ้นเยอะนะฮะท่านก็ไม่เป๋เหมือนสมัยโน้นคงจะได้บทเรียนสมัยโน้นสมัยพันธุราษฎร์เมื่อเอาคนไปขังแล้วก็สอบสวนไตส่สวนทีนี้เมื่อท่านท่านท่านไม่มีความผิดเนี่ยจะเอาท่านไปไว้ในตำแหน่งเดิมมันรู้สึกว่า ไม่สมควรนะมันก็ต้องยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมก็เหมือนกับมีพระเทรศของเราองค์หนึ่งนะฮะเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารยร์จันร์นะฮะที่ดังมากเคยถูกถอดนะฮะเคยถูกถอดเพราะไปเทศอะไรนะผู้รู้ดีเป็นผู้จ ร, รินผู้รู้ชั่วชั่วเป็นผู้เสื่อมแล้วก็เทศหายไปจนถึงสร้างเรือรบหลวงพระร่วงเลยถูกถอดหลวงตาจันทร์เอามาไว้ที่วัดประวรเนะี่ยตอนนั้นเป็นเทโมลี พอราชการที่6รู้ว่าเป็นใครมาเลื่อนพลวดเดียวขึ้นชั้นธรรมเลยเลื่อนจากหลวงตาจันขึ้นชั้นธรรมน่ยผ่านม่รกิ่ดานนะพลวดเดียวเลยไปถึงชั้นธรรมเลยเป็นธรรมอาทิรราชมหาโมนีนี่ก็หมายความว่าพระเจ้าปเสนินกฎสนท่านก็มีเหตุผลขึ้นแล้วมาตอนนี้ท่านท่านท่านาไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วนะฮะเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วมันคงแล้วแทนที่จะชื่นชมเฉลิมฉลองกับตำแหน่งเปล่าท่านท่านยังไม่ไปรับตำแหน่งข้าวพระพุทธเจ้าท่าน พระดำรัสของพระพุทธเจ้าคมมากนะฮะคือหมายความมาต้องติดคุกเพราะเรื่องดีร้ายสาระ<笑><笑>เรื่องเรื่องที่เป็นเหตุให้ติดคุกมันมันมันไม่มีเรื่องที่จะต้องติดคุกพระเจ้าใช้คําว่าเรื่องร้ายสาระหรือเรื่องไม่มีประโยชน์เรื่องร้ายประโยชน์หรือเรื่องร้ายสาระแต่ท่านอรมาท่านก็ตอบดีท่านก็ตอบดีว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ไปทําประโยชน์กับในกับคนที่ไม่เห็นประโยชน์ หมายคาม่าถ้าท่านทําประโยชน์แล้วคนมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์เนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่แต่กลุ่มคนโน้นเห็นว่าท่านตัดรอนประโยชน์ท่านอะไอกลุ่มพวกพวก อ, อมตะเก่านะฮะ <ๆ S 2> พวก อ, อมตะอื่นตัดรอนประโยชน์ท่านไปขวางทางท่านอยู่นะเลยก็ไม่มองเห็นประโยชน์ที่จริงคนเราถ้ามองเห็นประโยชน์กันพอคนนี้ก็ทําประโยชน์อนเราจะไม่ได้แต่ถ้าชาติบ้านเมืองได้ ศาสนาได้ส่วนรวมได้หรืออย่างน้อยครอบครัวเขาได้ก็ควรจะยกย่องเขาเพาการไปทําลายคนลคนหนึ่งมันกระทบนะมันกระทบถึงคนอีกทั้งหลายคนเช่นไปฆ่าพ่อเขาแล้วลูกเต้าญาติพี่น้องเ้าละ่ะนี่คือการเวดเบียนทําลายกันในในโลกนั้นท่านจะเห็นว่าเพราะคนเราไม่มองเห็นประโยชน์ของคนไม่ไม่มองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่คนนั้นทํา แล้วในที่สุดก็ทำลายล่้างกันจํานวนที่พูดที่พระพุทธศาสนาใช้นะฮะมองอะไร น, นะฮะเห็นเห็นความชั่วโดยความเป็นความชั่วนะโดยความเป็นความชั่วกระคาสํานวนมาออกจากรงรั ง, รงนิดหน่อยนะฮะแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราเห็นว่าอันนี้ ต, ตัวความชั่วเนี่ยมันเป็นความชั่วเหมือนกับเห็นยาพิษวันนี้มันเป็นยาพิษแล้วไม่มีทางที่ยาพิษจะทําอันตรายเราได้ นอกจากว่าหน้ามืดแค้นใจขึ้นมาอะไรแต่ไร น, นั่นอีกเรื่องนึ่ะโมหะมันเกิดมา ก, กวันมืดตื้อไปกินยาฆ่ามาลงมาแมลงอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลานั้นจิตใจไม่พร้อมที่จะวินิจฉัยอะไรแต่ถ้าเราไปช่วยแกได้นะฮะคนประเภทนี้เราไปช่วยแกได้แล้วให้ไอความรู้สึกแกลดความรุนแรงจากจุดนั้นมาได้เนี่ยแกไม่ฆ่าหรอกไม่ฆ่าหรอกตอนนั้นมันมั น, ม, นมันไม่พร้อมเลย ใจไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลอะไรก็ดิ่งลงฮะไม่มีจุดที่จะยึดเหนี่ยวคล้ายๆกับคนตกลงไปเหวตกลงไปในเหวแต่ถ้ามีอะไรรองรับอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องตายตั้งต่ือไปจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้น เ, เรื่องราวที่เกิดขึ้นแกท่านมหามาดเนี่ยหรือว่าวพวกพว ก, พวก พวกอะไรพวกจิติทยาผวกอะามาดเราอื่นจิตวิษยานั้นมันก็แสดงถึงสภาพจิตของการมองสิ่งสิ่งเดียวกันนะมองสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ว่ามองกันคนละพื้นฐานจิตจึงเห็นไม่เหมือนกันอระหมาดมองเห็นเป็นการสร้างสรรพพุทธเจ้าเห็นมองเห็นเป็นการสร้างสรรพระเจ้าประเสริฐเองก็มองเห็นเป็นการสร้างสรรแต่ว่าอราหมาด ที่เป็นกลุ่มเดียวกันท่านมองเห็นเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองและในที่สุดก็ท่านคนทําดีก็เลยต้องติดคุกในเรื่องที่ไม่รู้อะไรมันคือความผิดคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์การกระทำของท่านจึงเป็นที่ชื่นชมของบัณฑิตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิปทาเป็นจารีตเป็นแบบแผนเป็นประเวณีที่บัณฑิตทั้งหลายท่านกระทํากัท่านอย่างนี้ ทีนี้พอมาถึงพระโพธิสัตว์เองพระโพธิสัตว์นั้นอย่างที่บอกแล้วท่านอย่าไปติดใจคําว่าพระเจ้าพระมทัต์ในกรุงพาราณสีนะฮะเพราะทุกวันก็ยังเป็นพระมทัตอยู่นั่นนะฮะกี่พันปีมาแล้วก็ไม่รู้พระเจ้าหมาราชาที่พาราณสีทีออ่อะไรละ่ะรามนครนะฮะท่านที่ไปอินเดียจะเห็นว่าที่รามนครนะฮะหมาราชาชื่อพระมทัตนะฮะพระมทัตมันตั้งแต่โบราณโลกมันเป็นตําแหน่งอะ เปนตำแหน่งคือขึ้นไปยงตจนนี้แล้วเขาเรียกว่าพรหมทัตทุกคนเลยพรมทัตที่เท่าไหรเขาก็ไม่บอกไว้นะะคงจะเป็นที่หลายหมื่นแลนะมันนานหลือเกินนะฮะก็ก็เป็นเป็นอนุรักษ์นิยมชั้นยอดยอดนะฮะตำแหน่งนี้เป็นอนุรักษ์นิยมชั้นยอดได้เกินพรหมทัตที่จริงชื่อก็ดีนะฮะเป็นผู้ที่ที่พรมประทานให้นะฮะพรมประทานให้ใคล้ายๆกับเป็นตําแหน่งที่แต่งตั้งมาจากพระบรมชื่อแล้วก็น่ากลัวนะฮะ ก็เหมือนกับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเทาสกกะระธานนะฮะเทา้าสกกะระทานไปดูสรอยข้างหลังะะพระอินประธานลงมาแต่ตอนนี้ก็ชักไม่รู้ใครนั่นนะ่ะก็ยุกยุกเหลือเกินเออพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นก็ทำในแนวเดียวกันนะฮะเพราะงั้นในแนวนี้แต่ว่าคนในเรื่องเราจะเห็นว่าอามาตในเรื่องนี้เป็นคนทาผิดจริงทาผิดจริง แต่ว่าพระเจ้าภาลนสีเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่แรงจึงไม่แรงแทนที่จะไปฆ่าไปทําลายไปขังคุกก็ให้ออกไปอะไรกันเอาไปที่นี้คนไม่ได้สํานึกว่าโทษตัวเองนั้นตัดหัวนะฮะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรล่ะเพียงแต่ให้ออกไปต่นนั้นเอยงยังคิดแก้แค้นอีก ยังคิดจะโต้อตอบยังคิดทําลายอีกไปชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านลืมเลยนะบุญคุณอะไรต่อะไรต่างๆอุปการะเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้มาลืมหมดเลยและที่หน้าคิดก็คือว่าญาติพี่น้องของตนก็ยังอยู่ในบ้านเมืองนี้ตระกูลวงศ์ของตนก็ยังอยู่ในบ้านเมืองนี้แต่ก็ไปชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านมาในที่สุดมาทีนี้เราก็เรามองดูอย่งางที่มาเคยเล่าให้ฟังว่า ถ้าเราจะมองจากชาดกพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโลกก้าวหน้ามาเยอะเลยถ้าหมายโบราณนในการรบเนี่ยยุคที่ว่าข้าวอาวุธบุเลงบุเลงรบกันมันโบราณรไกลเลยฮะแต่ถ้าเรามาดูเรื่องราวในชาดกแต่ท่านไม่บอกว่าก่อนพศเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้ท่านใช้คําว่าอตีเต้านอาอดีตการ น, นานมาแล้วเราก็ไม่รู้คือบางทีรบกันไม่ใช่รบมากในะเอาหัวหน้ามารบกันนะ แล้วก็ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยคนร้องคนนั้นเองเป็นตัวประกรันกันบางทีก็ท่าพ น, านันด้วยเล่นการพนันโพกสกาเนี่ยจะกาท้าพนันกันและอีกบางทีเนี่ยจะโต้พาสิษกันทนะกป ร, รัชญากันนะใครชนะคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปเลยแล้วมีถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีเอาเอ า, เอาคุณธรรมมาวัดกันนะ หมายความว่าคนหนึ่งก็สังเกตเจ้านายตนคนหนึ่งก็สังเกตเจ้านายตนแล้วนํามาพูดกันคุณธรรมของเจ้านายใครดีกว่าคนนั้นชนะไปขนาดนั้นฮนะรบกันขนาดนั้นแล้วมันสง่าเหลือเกินฮะสง่าเรียบร้อยก็สนุกฮะคนฟังก็พ้อยสนุกตามไปได้ความรู้ตามไปรบกันขนาดนั้นแล้วเวลานี้โลกหมุนกลับนะว่าจริงๆนอะความคิดของโลกเยี่ยมเกรียมมุ่งทําลายล้างแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมสิ มนุเคยสัมผัสยุคที่ไม่ต้องรบอะไรกันแล้วผ่านมาแล้วเราก็ทิ้งยุคนั้นไปแล้วระเวลานี้ก็มีแต่ความรุนแรงถ้ารบกันจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดนะจะเอาศพไปฝังที่ไหนถ้าเขารบกันจริงนะ่าคงจะถึงจุดแตกดับกันทีเดียวคิดว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้เราลองดูว่าแนวของพระโพริษัตทั้งกระแนน้นอยากจะรบร บ, ร บ, ร, บรบเลยเปิดมาเลยไม่ต้องไปทําอะไรต้องการอะไรเอาเลย และคนระดับจิตแบบนี้เรามองดูคล้ายๆพระเจ้าพิมิสารเอาอีกอะเห็นฮะพระเจ้าพิมิสาร ล, ลูกต้องการแย่งราชสมบัติเอาลูกเอาเอาเลยลูกเอาเลยไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งไม่ต้องทําอะไรลูกจะเอาเอาเลยมอบราชสมบัติให้เลยนั่นคือคนระดับเนี่ยคือเราคิดว่าเอ๊ะทาไมทําอย่างงั้นมันคิดกันไม่ได้หรอกคนที่จิตมันพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยเราพัฒเร า, เร า, เ, ราเรามองจากข้างล่างเราเขาไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจว่าทําไมท่านต้องคิดอย่างนั้นทำไมท่านต้องทําอย่างนั้น พระธิษัตน์นั้นท่านรู้ไอ้นี่มันต้องการจะมาแก้แค้นท่านแก้แค้นท่านก็เรื่องอะไรจะต้องให้ราษฎรเดือดร้อนเอามาเลยข้ามอะไรจะรบก็รบเถอจะยึดเมืองก็ยึดเมืองทีนี้คนเราเนี่ยมันมันหน้ามืดไปยังไงก็ตามนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โต้ตอบเลยเนี่ไม่โต้อตอบเลยเนี่ยรองว่าใครด่าเนี่ยใครด่าเราเราไม่โต้อตอบเลยเนีว่างๆเอาน้าให้ก็ดื่มแก้เคอแห้งเลยพรักเดียวข้าก็จุดด่าเองอะ่ะไม่มีภูมิอ่ะ แต่มันดากันได้ทะเลาะ ก, กันได้ไบ่อยๆเพราะมีการดา่าแล้วก็มีการด่าตอบเท่านั้นเองจิตใจมันจะอ่อนโยนลงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะอ่อนโยนลงไม่ว่าใครก็ตามในยุคใดสมัยใดก็ตามเมื่อไม่มีการโต้อตอบในลักษณะเดียวกันใจจะอ่อนโยนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องอุบาติกาท่านหนึ่งที่ท่านฟังเทศโจรก็โมยข้าบ้านขุดเจาะกำแพงก็ไปเลย แล้วก็ส่งนายโจรมาคุมไว้ว่าถ้าอุบาติการลุกขึ้นจะตัดคอเลยปฏิกาไม่ยอมไปจะฟังเทศอยากจะเอาก็เอาไปรุงบัดนอกกายท่นไม่ตายท่านยังหาได้แต่ว่าโอกาสจะพบตอนนั้นด้ถึงจะฟังเทศพระมากระจายนะอยู่นะประสูตรนาติกันนะแม่ประสูตรนาคติกันนะท่านท่านไม่ยอมไปจนจนโจรขนคอมาแล้วท่านก็บอกโจรอยากได้ก็เอาไป พวกจนต้องยอมเอาคืนราชสมเอคืนตมบัตรทั้งปวงให้แล้วกราบขอขอเข้ามาลาโทษและในที่สุดทั้งก็นแนะนำให้บวชหมดนี่คืออะไรคือความดีสลายเราใช้ความดีสลายไม่ได้ใช้ความชั่วสลายพอพระราชาเข้ามาไอความคิดรุนแรงเมื่อก่อนมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้ตอบอะไรเลยเจ้าราชสมก็เอาไปเจ้าขังก็ขัง จะขังก็ขังคือยอมให้ตัวเองทนทุกข์อย่าให้คนราษฎรไปเดือดร้อนด้วยพอข้าวขังมันก็ท่านก็ไปเจริญเมตตาของท่านที่จริงไม่ได้ท่านไม่ได้มุ่งอะไรนะแต่ไปพลังเมตตาเนี่ยมันแฝงท่านเมตตาพอเมตตามันกระจายออกเมตตาไปแม้พระราชาที่ประรุธร้ายท่านกังกิตมันสูงขึ้นน ะ, ะเมตตาแม้แต่คนที่ประทุธร้ายท่านไอ้่อายิรุธสร้ายก็ร้อนนะฮะไฟพิรุธสร้ายก็ร้อนก็เหมือนกับอะไรเหม <flavour> ือนก็เอาเอาเอาเอาไฟมันแฉดน้ํานะฮะ มันก็ชาชาชาชาสองเสียงดางใจของคนก็เหมือนกันนะใจคนหนึ่งมันประทุสล้ายแต่ใจคนหนึ่งเย็นไอ้พระรังเมตตาก็สร้างความเล่าร้อนไปประทุสร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่มีจิตใจสูงเหมือนกับเราไปประทุษร้ายต่อคนที่มีคุณธรรมสูงจะใครก็ตามเราจะพบว่าเราจะร้อนอย่างแรงเลยจะหาความสงบใจไม่ได้ เจนจนเจนไปประทุษร้ายต่อพ่อต่อแม่อะไรแตไรนะฮะคือคือคือพวกระดับสูงเนี่ยเราจะร้อนขึ้นมาในตัวเองไงมันเป็นไฟเป็นไฟนรกเป็นไฟนรกที่าเผาใจเราเราจะรู้สึกร้อนอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วในที่สุดเราจะเห็นว่าพระราชาองค์นี้เอาข้จริงก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่รัมันถูกยุกเหมือนกันนะฮะถูกลูกยุเหมือนกัน มากระมงฉงเฉียงมาพราะเอาเข้าจริงเจอพลังเมตตาสลายแล้วไม่ใช่สลายธรรมดานะสลายจนยอมเป็นทาสไปเลยข้ามาปราตัวเป็นผู้พิทักษารักษาบ้านเมืองให้เองเวลาข้าศึกศึกศึกเสือเนื้อใต้มาล้อมบ้านล้อมเมืองจะให้การรักษาเองเพราะตันหิตว่าพระราชาท่านไม่รบพระเจ้ากรุงพานาสีท่านไม่ร บ, รร ท, รบทีนี้อดมองดูว่าไอ้พลังเมตตาที่สลายความรุนแรงนั้นนะ ไม่จะ ช, ช่วยปกป้องเฉพาะพระเจ้ากรุงพารณาณสีเป็นการปกป้องอาณาประชารัฐดอนปกป้องชีวิตมหมามาทั้งหลายไว้ได้ให้ความสุขความแล้วที่ำํำกัดเยีงก็คือสลายพวกศัตรูได้ด้วยสลายความรู้สึกนึกคิดของศัตรูที่มาในลักษณะที่เป็นขั้าศึกแต่ก็กลับเป็นมิตรไมตรีไปคนเดียวเป็นการกระทาของคนคนเดียวแต่มีลักษณะคือกูลแก่คนเป็นมาก ลักษณะทางทางทางสังคมนั้นมันเรากระทบกันนะฮะท่านทั้งหลายลองดูว่าอย่างในแง่ของศีลธรรมจริยาคนไทยเราไปทําอะไรดีต่างประเทศเข้าวสักคนหนึ่งเนี่ยคนเดียวคนไทยในประเทศเราก็ได้หน้ากันทั้งแถบอะได้หน้ากันทั้งประเทศแต่มันไม่ค่อยทํำดีสิส่วนมากมันไปปลอมปนสินค้าอะไรตัวใดเขาขายหน้าได้ก็แถว เ, เยอรมนเยอรมันยิ่งแย่ใหญ่เลยสวิตเซอร์แลนด์น มันมีแต่เรื่องไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเลยถูกมองในแง่ที่ไม่ค่อยดีจะข้าวต่างประเทศเพื่อนก็ต้องระแวงเอานี่คือผลกระทบหมายความว่าเราดีด้วยกันเราไม่ดีด้วยกันถ้าดีก็ดีด้วยกันถ้าไม่ดีก็ดีด้วยกันอย่างที่ตำนวนโบราณพูดว่าดีทายาทชั่วทายาเพราะความเกี่ยวข้องผูกพันกันควายหนึ่งเกิดขึ้นแล้วทําประโยชน์มันก็เกือกูลแก่สิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องผูกพันกันต้น แต่ถ้าเกิดทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เหมือนกันนะฮะเราจะพบว่าอะไรนะคือราษฎ ร, รพลอยเดือดร้อนนะพลอยเดือดร้อนเวลาเข้าไปทําอะไรกันขึ้นมาซริงจริงจริงที่จริงเราไม่ได้เกี่ยวอะเราไม่ได้เกี่ยวแต่เราก็พลอยเดือดร้อนเราไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่เราเกี่ยวในฐานะที่แบบเป็นประชาชาติเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันอะไรอะเนี่ยเราก็พลอยเดือดร้อนตามเข้าไปด้วย<น>บางทีเนี่ยผลกระทบเหล่านั้นเราไม่ได้เป็นผู้กระทํา นะไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่เราเกี่ยวเนื่องกับผู้กระทําเราก็ต้องรับผลนั้นไปด้วยนะเหมือนกับนั่งไปในรถไใดคนขับมันประมาทแล้วมันก็ชนแล้วเราก็พลอยบาดเจ็บล้มตายไปด้วยเพราะเราก็ร่วมกันก็มองให้เห็นนะักขันรถหนึ่งก็แล้วกันมองหเห็นขันรถหนึ่งก็จะเห็นภาพเลยฮะเราจะเห็นว่าอาศัยคนคนเดียวนะฮะขันรถขันนึงอาศัยคนคนเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าออกได้ทางลบทางบวกแต่ลักษณะทางทางทา ง, ทางสังคมมันก็เหมือนกัน คือการกระทาของคนในสังคมทั้งบวกทั้งลบนั้นกระทบต่อส่วนรวมตามสมควรแก่ความรุนแรงนะฮะที่เขากระทาลงไปจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามและบางทีถ้าดีมากมันก็ทบแรงมากฮะเราจะพบว่าอย่างพระพุทธเจาะะ้าเนี่ยพระพุทเจ้าท่านขึ้ น, ข, นขึ้นจุดสุดยอดจนทุกวันในพระราชาวงศ์ของพระองค์เนีเชื้อสายศักยะนะะี่สักยะบางคนเวลานี้ก็ทำงานทำการธรรมดาธรรมดานี่ชาวบ้านธรรมดานีา่ฮ แต่ถ้าเจ้กุลสาเกรืสากยิากยะแล้วมันเป็นคนพิเศษในประเทศในป่านพิเศษกับใครพิเศษกับพระพุทธบารมีปกเกล้าบารมีปกเกล้าคล้ายๆกับประเทศอินเดียเวลานี้เราจะเห็นว่าอินเดียอาศัยพุทธบารมีทักเท่าไหร่ที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนไทยเฉพาะไทยชาติเดียวเนี้ยขนเงินมาให้อินเดียปีละกี่กี่ร้อยล้านอนะ่ะญี่ปุ่นล่ะเกาหลีละ่ะทิเบตละ่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลย ชาติและแม้แต่ฝรั่งเองขนเงินเข้ามาศึกษาพุทธานาในอินเดียเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่มันมันกระทบถึงกันแล้วกระทบมาตั้งนานแล้วด้วยนะเหตุการณ์ที่จริงความดีนั้นทำมาตั้ง2 0 0พกว่าปีแล้วแต่ยังกระทบถึงอินเดียในรูปเศรษฐกิจปัจจุบันทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเราดูถึง พัฒนาการทางจิตอีกชั้นหนึ่งนะฮะท่านจะเห็นว่าเรื่องจิตเนี่ยมันมันมันก็หมายความคือถ้าเราดองดูกันค่ะก็ไอ้วัตถุอะไรสิ่งของที่มันยิ่งยิ่งขึ้นสูงเนี่ยยิ่งขึ้นสูงแล้วเนี่ยไอแรงกดดันมันจะมันจะอ่อนลงไปโดยลําดับเลยแรงกดดันของโลกนะฮะแล้วจนขึ้นลอยไปโดยลําดับจนออกไปนอกนั่นแหะสัญญากาศหายไปเลยใจคนมันเราดูแล้วมันก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าถ้าไอสภาพกดดันที่ให้ติดอยู่กับโลกเนี่ย มันคลายตัวลงไปนะคือโลภะโทสะโมหะมันคลายตัวลงไปเนี่ยใจของบุคคลก็จะก้าวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปโดยลําดับพระเจ้ากรุงพาณาสีเองท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเดินมาจนถึงเป็นเมตตาเมตตามันสองระดับนะเมตตาระดับก็เรียกว่าอุปจาร์เมตตาระดับอุปจาร์คือหมายความว่าอุปจารสมาธิอธิติเราสวดในในคำขอคำทาน เมตตาระดับอุปจารสมาธินั้นจะให้ความสุขในปัจจุบันเอ่อแต่จิตยังท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรนะฮะยังอยู่ในกามาวจรแล้วก็ได้รูปกายอะไรแต่ไรที่ประณีตสมมุติว่าถ้าถ้าท่านรูปนั้นตายไปหรือท่านคนนั้นตายไปแต่ถ้าถึ้งอปปนาเนี่ยมาอปปนามันแน่วแน่เมตตาเย็นมากเลยเยตาเย็นมากเพราะนั้นสุขก็เด่นปีติก็เด่น ซึ่งงบก็เด่นใจไม่พร้อมที่จะอยู่ในในวังแล้วไม่พร้อมที่จะอยู่ในวังแล้วเพราะงั้นท่านก็สละหมดเลยสละสมบัติหมดเลยก็ออกผนวดเป็นดาบคนบางคนแหมมองหน้าเสียดายนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็น จ, จะตายมันสละมองกันคนละชั้นจิตนะคือถ้ามองจากชั้นจิตของคนระดับนี้แล้วนี่มันมันไม่ก็ อ, อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระธรรมตินาท่านมองนะ มองสมบัติของเศรษฐีเป็นน้ำลายที่ก็ถมลงที่พื้นดินจะให้ท่านเอาหัวรับท่านไม่เอาเป็นการมองได้อย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็มองดูในชั้นจิตของคนเราที่มันประนีตขึ้นไปนะก็ตายอันดับไปแล้วก็บโลกกระทนะฮะลาบยศเสนเสริญศึกแล้วตายอันดับขึ้นไปคนประเภทหนึ่งท่านโลภยังจัดหลงยังจัดนะฮะ โลบยังจัดหลงยังจัดแล้วมันโกรธมันจะจัดด้วยเพราะนั้นใครแตะอะไรของตนนิดหน่อยก็ขมวงจงเฉีงแล้วฮะแต่นิดเดียวแต่นั้นเองนั้นไม่ได้ทําอะไรนะไม่ทำอะไรยังเราจะพบว่าคนบางคนที่โลบจัดหลงจัดเนี่ยแม้แต่ว่าเขาไปไปรูปครามดูของแต่นั้นเองฮะหรือมาเปิดสมมติว่าอะไรเล่นเครื่องลายครามนะเพื่อนไปจับดูเครื่องลายครามเดี๋ยวโกรธเกลียวกรานแล้วด่าขมวงจงเฉียงนะเองมาเยอะเลยฮะโลบก็จัดหลงก็จัดฮะแล้วพอุนี้เสร็จแล้วโกรธมันก็จัด ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ไอ้รอบมันมันจางลงเพราะหลงมันก็จางลงนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วว่ากิเลสพวกนี้ถ้าตัวไหนจางตัวอื่นมันจะจางตามจะเริ่มที่จุดไหนก็ได้ท่านก็จะเริ่มจะมองเห็นว่าลาภผลเหล่านี้ยมันเป็นภาระยิ่งมากเท่าไรยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นแล้วท่านก็เลือกเอานะฮะบางคนอาจจะเลือกเอาท่องเที่ยวทั่วโลก เอาเงินไปแจกฝรั่งนะทำงานนั้นเหนื่อยแจกฝรัง่งให้ฝรั่งรวยมากขึ้นเพราะเขรวยอยู่แล้วนะแต่เราก็จนอยู่แล้วก็ให้จนมากขึ้นเอาเงินไปแจกฝรัง่งทัฒนาจรด่างระเตศอะไบางคนเอาทําบุญเราจะเห็นว่าพวกนี้จิตประณีตขึ้นมองข้าระว่งเที่ยวกระทาบุญเนี่ยเที่ยวมันเที่ยวมาเยอะแล้วในสังสารวัฏนี่ท่องมาจบพบจบโลกจบดาวมันกี่ดวงนะเที่ยวมาเยอะแล้วเสียวเวลาเปล่าเที่ยวสมไยก็ทําบุญดีกว่าให้เก็บสะสมทรัพย์ทําบุญเอาไว้ บางคนก็มากโลภบันจางขึ้นไปกว่านั้นไม่เอาแล้วตอนนี้ต้องการความสุขแล้ก็ปรีกเอาทรัพย์สมบัติเท่าที่ได้ตัวเองก็ปลีกตัวออกไปเลยใจมันจางใจมันจางแต่ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับคนบางพวกไปบวชจีล้วไปทะเลาะ ก, กันนะฮะจีก็ทะเลาะ ก, กันเนะี่ยมันก็หน่าดูเหมือนกันบางทีสำนักชีบางสำนักในมีเรื่องฟ้องกันทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยๆนั่นมันไม่ได้พัฒนาใจอ่ะ พัฒนาแต่กายมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอกแต่ว่าใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไป อ, อ, อยู่ในจุดที่ที่ตนเป็นพัฒนาจิตนี่ถึงถือว่าสำคัญที่สุดว่าจิตเราพร้อมที่จะเป็นในฐานะ น, นั้นหรือไมนะ่ถ้าจิตเราไม่พร้อมออคืนให้ไปทำงานเราลองดูระบบต่างๆที่จริงเราใช้นะแต่ว่าเราใช้เต็มตามสูตรหรือเปล่าต่นนั้นเอง เ, ออเราเออ มีแพทย์มีโรงเรียนแพทย์ก็มีจัญญาแพทย์มีทหารก็มีวินัยทหารมีตำรวจก็มีวินัยตำรวจมีอะไรเราก็พัฒนาขึ้นไปด้วยแต่ปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมะเป็นนามธรรมบางทีตอนแกนจะเอาคะแนนมาเก็สงสังหาจะตายนะครับปฏิบัติได้เพี้ยเลยปฏิบัติได้ดีเหลือเกินแต่พอรับหลังก็อีกอย่างหนึ่งเราดูแกไม่ออกเราก็ให้คะแนนแกนไปยกย่องแกไปเพราะฉะนั้นบางทีพวกนี้เองก็มีปัญหา เรือพระเองก็เหมือนกันนะเราก็มีระบบพัฒนาใจมาพัฒนามาเรื่อยแต่บางทีเราก็จับมารุ่นๆมาวางแปะก็ไปเลยเราพัฒนาไม่ทันพัฒนาไม่ทันเราก็มีปัญหาแต่ถ้าเราปรับใจขึ้นมาทันเนี่ยอยู่ในจุดที่ควรอยู่เป็นพ่อเป็นแม่พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะเป็นพ่อเป็นแม่ใจพร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะดูแลเอาใจใส่ลกูกรักลูกถนอมลูก รับผิดชอบลูกของตัวเต็มที่ลูกก็เติบโตมาทาำกลางความรับความอบอุ่นการดูแลใจใส่ของพ่อแม่แต่ถ้าใจไม่พร้อมอบางทีก็ไปหาหมอทําแท้งได้เลยเห็นไหฮะนี่มันก็อยู่ที่ใจถ้าใจไม่พัฒนาขึ้นไปใจต้องการเฉพาะแต่งงานทอนนั้นเองแต่ไม่ต้องการมีลูกใจไม่พร้อมแต่งงานแล้วยังใจยังไม่ยอมรับที่จะมีมันก็ต้องหาตะแบงออกไปด้วยวิธีการนต่าง นั้นเป็นวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นการจะท้อนจากจิตทั้งหมดว่าพฤติกรรมที่ออกมานั้นมันเกิดจากจิตที่ยังไม่เข้าไปอยู่ในจุดซึ่งเหมาะสมเหมาะสมที่จะเป็นเพราะถ้าหากว่าจิตเราได้พัฒนาตามขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะจอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งหมดกับพฤติกรรมนะแต่เราเอาก็จริงก็ยากอย่างาานี้ว่าเอาเวลานี้ฮะคือสร้างตึกหลังนึงยากกว่าสร้างคนนะจะนี จะให้มาสร้างสร้างโบสถ์สักหลังเนี่ยนึกว่าทําได้นะะแต่สร้างคนสักคนนะี่ยากจังยากจังเลยสร้างคนต้อมีฝีมือมีความรู้ความสามารถมีวิญญาณนะมีวิญญาณที่จะทํางานศาสนาเนี่ยตอนนี้นะรอร อ, ร อ, รอพระโพธิสัตว์ยังไม่มาเกิดเลยถือหาคนยากมากแต่เราเราเราเลยบางทีก็ท้อนะฮะใจคนบางคนก็ท้อเลยก็ไม่ได้สร้างคนไม่คิดสร้างคนก็เห็นว่าสร้างเล่นอิดเล่นหินไปก็ได้สบายสบา ย, บายก็สร้าง อะไรไปเรื่อยๆสร้างวัตถุไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้มันหนักขึ้นเราจะเห็นว่าในชั้นของโลกธรรมเองคนพร้อมที่จะทิ้งลาบเพื่อสแสวงหายศพร้อมที่จะทิ้งยศเพื่อได้รับสันเตรนพร้อมที่จะทิ้งสันเสรญโดยต้องการเพียงความสุขเท่านั้นเองพระเจ้ากรุงพาลสีท่านเดินมาอยู่ในจุดนั้นนะฮะจุดสุดท้าย แต่จิตของท่านมันไม่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะครองเมืองแล้วเนี่ยเพราะท่านขึ้นมาเป็นขึ้นถึงเป็นเป็นระดับอปนาอปนาชาญนะฮะเมตตาที่เป็นอัปนามันมั่นคงมันแน่แน่ใจไม่พร้อมเลยแล้วใจไม่พร้อมอย่างนี้บางพร้อมไม่บางคนมันไม่พร้อมมาตั้งแต่เกิดอ่ะไม่พร้อมที่จะครองเรือนครึ่งมีบาปแยะอย่างพระเตมีเนี่เราจะเห็นว่าพระเตมีท่านไม่พร้อมมาตั้งแต่เกิดเพราะสัญชาติกะปัญญาท่านสูงมาก เรารมีทางท่านสูงท่านมองเห็นราชสมบัติเป็นที่เพิ่มพูนบาเพิ่มพูนอกุศลเพราะงั้นท่านก็เตรียมบวชมาตั้งแต่ระลึกรู้อะไรได้แล้วนะฮะเตรียมบวชมาตั้งแต่น้นนะเตรียมที่จะออกแสดงว่าจิตมันสูงมาตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ต้องไปนั่งสมาธิอย่างพระเจ้ากรุงพานาสีหรอกท่านก็ไปกองท่านได้เลยเข้าป่าออกบวชได้ไปเลยหยิดมันจะพลากจะพลากจากอารมณ์ลอกนะ จะมองเห็นอารมณ์โลกเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องลวงๆแล้วเราก็ถอนตัวมาได้ดังนั้นไอ้จิตที่ยกขึ้นสูงไปโดยลําดับนี้จะปลอดเวรปลอดภัยมากขึ้นนะฮะปลอดเวรปลอดภัยมากขึ้นโดยลําดับแต่ว่าเป็นเรื่องจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทํำยังไงถึงจะมองมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณ มามองมองบ้านเมืองเราอยู่แล้วก็คิดอยู่เสมอแล้วก็พูดอยู่เสมอเลยว่าเรานั้นเก่งร้องเพลงนะคนไทยนี่เก่งร้องเพลงจริงๆเลยเปิดวิทยุทั้งแผงอเอ็มเอฟอ็มชอตเว็เนี่ยหายหไอเนื้อหาสาระอะไรไม่ได้มีแต่เพลงเพลงเพลงเพลงร้องเพลงกันจริงเลยแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะนาเนื้อหาของเพลงนั้นไปปฏิบัติไม่ใจไม ไม่ได้คิดที่จะนำเอาเนื้อหาของเพลงนั้นไปปฏิบัติซึ่งซึ่งแสดงอะไรแสดงว่าจิตใจเราไม่พร้อมที่จะมองลึกไปจากที่มันปรากฏพระพุทธเจ้าเริ่มหยุดวูบเปลวปลวไฟของความคิดเนี่ยจะฟัง อ, อะไรล่ะลูกพี่ลูกน้องฮะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงแกเจอกันเจอกับพระพุทธเจ้านนางสุ ป, ประวาสานี่ นาสุปว่าสากล่าวว่านิปูตานุนาสามาตานิปนุปุตโตนูนโสาปิตานิปูตานูนาสาดานารียาซ่ายังอิดิโซโปฏิใครก็ตามนะฮะใครเป็นแม่ก็ตามเป็นลูกเอ่อเป็นเป็นพ่อก็ตามเป็นภรนญาก็ตามเป็นที่ได้มีมีเนี่ยมีลูกชายอย่างนี้มีสามีอย่างนี้ดับสนิทแล้วนิปูตาตัวเดียวฮะนิปูตาแปลว่าดับ นั่นคือจุดประทีพขึ้นภายในใจเราพุทธเจ้าฟังเพลงขับยกย่องสรรเสริญของลูกผู้ผู้น้องฮะคือมาเจอพระองค์แล้วก็ยกย่องว่าเออใครก็ตามนะคนเป็นแม่ได้ลูกอย่างนี้สบายแล้วดับสนิทแล้วหมดทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนนะฮะเพราะลูกชายคนนี้เป็นเหตุพ่อก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะลูกชายคนนี้เป็นเหตุสามพัญญาก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสามีคนนี้เป็นเหตุนิพุตตาชายข้ามานิพุตตาคําเดียวนิพุตานิพุโ ต, ตไอ้นิพุโ ต, ตมันเป็นปุงลิง น, นั่นเอง นี่คือจุดประทีปขึ้นมาฟังเพลงสองบรรทัดแต่นั้นเองเริ่มก่อประทีปนี้ขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็เดินออกมาสู่จุดหมายปลายทางคือตัทสรุไนที่สุดเพราะฉะั้นประทีปดวงนี้เกิดจากได้ยินเพลงนะฮะยินเพลงร้องคำคำว่านิปุตาแต่นั้นเองแปลว่าดับสนิทก็ต่อมาก็คำคำ ก, ก็เป็นคําเดียวกันนิพานนะพระพุทธเจ้าก็ไปถึงนิปุตาจริงๆเหมือนกันแต่เป็นนิปุตาที่สมบูรณ์นั่นนั่นนี่คือใช้เพลงให้เป็นประโยชน์ เพลงเยอะไปฮะถ้าเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่เราก็ติดอยู่แค่ร้องก็เต้นจังๆๆๆจังๆไปเสร็จแล้วก็กินเลี้ยงต่อตานนั้นเองคือชีวิตก็เพลินๆไปฮะนี่ก็วันนี้ก็จบลงด้วยคําว่าครอบคนดีนะฮะจะครอบคนประเสริฐตัวเองก็ประเสริฐตามไปหรือจะหรืออย่างที่เราพูดว่าครอบคนดีก็เป็นซีแก่ตัวเองครอบคนชั่วก็อัปราชัยทั้งคู่เนี่ย ก็ข อ, อยุติวัยด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูดในธรรมจง ม, มีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูตัวกันสวัสดี